เดี๋ยวทาจิตให้ส ง, งบก่อนอุทิศส่วนกุศลสักนิดหนึ่งนะวางจิตใจให้ส ง, งบนิดนึและเลือกถึงพระรัตนตรยัยและเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้ศึกษาพระธรรมมาแล้วก็นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าเออเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นบทใดบทหนึ่งที่เหมาะแก่อัธยาศัยของแต่ละบุคคลนก็ระลึกน้อมใจในการร ะ, ะลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจำแนกแกแกงธรรมราตนะให้เหมาะผมแก่อัธยาศัยของเหาสัตว์ เราทั้งหลายก็ได้ประโยชน์จากการฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในให้เราระลึกนึกถึงตั้งอัธยาศัยถ้าเรารงจําในสัเลกธรรมได้ก็นึกถึงในสัเเลกธรรมแค่ตั้งมโนกรรมยังมีบุญอย่างมหาศาลนะชนเราอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียน เราก็จะเห็นโ่าโหชนเราอื่นเขาเบียดเบียนกันจริงๆนะในข้อนี้เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอาวิหิงสาคือเราจะมีกรุณานั่นเองชนเราอื่นก็คิดเบียดเบียกนการคิดปัสสาวะไกันแต่ในข้อนี้เราจักไม่คิดเบียดเบียนใครมีใจที่เป็นไกด์กรุณา <c oughs> ชนเราอื่นเป็นผู้ฆ่าสัตว์ใ้ตั้งอัธยาสายไว้เลยเนะ กุศลที่ตั้งไว้นี่มีพลังมากชนเราอื่นจากเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ก็คืองดเว้นใจก็จะเป็นไปกับเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายด้วยชนเราอื่นจักเป็นผู้ลักทรัพย์เราจะเห็นเยอะหมดคิดลักคิดขโมยหรือไปทำการลักการปล้นเป็นด้วในข้อนี้เราจะเป็นผู้ ไม่รักทรัพย์สมาทานกุศลศีลยังแข็งแรงเลยชนเหล่าอื่นประพฤติผิดในกามในข้อนี้เราจะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามชนเหล่าอื่นจากลก่าวเท็จเขาจะพูดเท็จพูดโกหกในข้อนี้เราจะกล่าวสัมมาวจจคือไม่พูดเท็จชนเหล่าอื่น เป็นผู้พูดส่อเสียดพูดให้คนแตกแล้วในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดแต่จะพูดให้คนสมัครสมานสามคัคคีกันชนเหล่าอื่นอยากเป็นผู้พูดคำหยาบในข้อนี้เราจะเป็นผู้ที่ไม่กล่าววาจาหยาบชนเหล่าอื่นจะกล่าวเพื่อเจ้อ ในข้อนี้เราจะกล่าวคําที่ถูกต้องถูกการถูกเวลาเป็นต้นชนเหล่าอื่นจยากมีอภิชาคือโลภอยากได้ของเขาในข้อนี้เรา จ, าจะเจริญอนณาพิชานะอยากไม่เพ่งเลงสิ่งของของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเป็นอนณาพิชา ชนเหล่าอื่นมีจิตยพยาบาทอาฆาตปองร้ายคนอื่นในข้อนี้เราจะมีจิตไม่พยาบาทเราจะไม่มีจิตยพยาบาทเราจะมีเมตตาชนเหล่าอื่นจะมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีเยอะมากในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความเห็นถูกเราจะเจริญสัมมาทิฏฐิมีกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ชนเราอื่นจะมีความดำบลิผิดเป็นมิจฉาสังฆปะวันๆ ก, ก็คิดเรื่องกามบ้างคิดเรื่องพยาบาทบ้างคิดเรื่องเบียดเบียนบ้างแต่ในข้อนี้เราจ ะ, จะเจริญกุศลสังฆปะเราจะคิดออกจากการคิดให้คิดสละคิดแบ่งปันเราจะคิดในเมตตาเราจะคิดในกรุณาในสัศพสัตต์ทั้งยชนเราอื่นจกมีวาจาผิด เข พ, พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเต็มไปหมดในข้อนี้เราจะสมาทานสัมมาวาจายานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชนเราอื่นจะมีการงานผิดเขาก็ทําการยถทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างในข้อนี้เราจะสมาทานการงานที่ถูกคือเราจะไมฆ่ฆ่าสัตว์อีกแล้ว เราจกไม่ลักเราจะไม่ประพฤติผิดในกามชนเราอื่นจกเป็นผู้มีอาชีพผิดเขาเลี้ยงชีพด้วยทุจริตแต่เรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเจริญมรรคอนนี้ให้บริบูรณ์ก็คือจเจริญสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยการเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตชนเราอื่นก็มีความพยายามผิดเป็นมิจฉาวายามะ เัาเพียรในโลภเพียรในโกรธเพียรในทุจริททั้งหลายแต่เราจะเพียรในการละบาปที่เคยเกิดแล้วทุจริตทั้งหลายอากุสดทั้งหลายที่เคยทำมาในอดีตเราจะไม่ให้เกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งพานิพาน บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ก็จะไม่ให้เกิดขึ้นกับกระแสชีวิตข้าพเจ้าอีกแล้วเราจะเพียรพยายามในการเจริญกุศลทานศีลภาวนาจะเดินให้ต่อเนื่องและจะพัฒนาทานศีลภาวนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปชนเหล่าอื่นเป็นผู้มีมิจฉาสติก็คือระลึกเรื่องบาปละลึกสิ่งที่ชั่วร้ายระลึกแล้วใจเป็นบาปเป็นอากุศล เขาชำนาญมากแต่เราจะมีสัมมาสติเราจะระลึกในสติปัฏฐานสี่เราจะระลึกในกุศลจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์เป็นต้นชนเหล่าอื่นเป็นผู้มิมิจฉาสมาธิมีสมาธิที่ผิดชอบตั้งมั่นในการดูหนังฟังเพลงตั้งมั่นในการทําบาป ตั้งมั่นในการฆ่าในการลากักในการประพฤติผิดในการเป็นต้นแต่เราจะมีสมาธิที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิเริ่มตั้งแต่คณิกะอุปจาระจะถึงอัปนาสมาธิชนเราอื่นมีญาณะที่ผิดเป็นมิจฉาญาณะก็คือรู้ในสิ่งที่ผิดเข้าใจในสิ่งที่ผิดแต่ข้าพเจ้าจะทำสัมมายานณะ ยานนะคือยานปัญญาที่ถูกต้องชนเหล่าอื่นมีความหลุดพ้นที่ผิดเป็นมิจฉาวิมุตต์ไปเข้าใจว่ากามคุณเป็นนิพพานบ้างไปเข้าใจว่าปฐมฌานเป็นต้นเป็นนิพพานบ้างไป mm. เข้าใจการปฏิบัติที่ผิดทั้งหลายเหล่าเนี้ว่็เป็นนิพพานบ้างแต่เราจะมี สามมาวิมุตติคือการหลุดพ้นที่ถูกก็คือจะหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ถูกต้องชนเราอื่นจากเป็นผู้มีความง่วงเหงาคุ้มมีทีนะมิทากุ้มรุมในข้อนี้เราจะปราศจากความง่วงเหงาคมเราอื่นโดยมากอยู่ในที่ไหนก็มีหดหูท้อถอย แต่เราจะเป็นผู้ไม่ทําความสว่างความโปร่งโล่งเบาให้เกิดขึ้นในตนเองทําปราโมดเป็นตอนที่เกิดขึ้นในใจจะไม่เป็นคนหดหู่ท้อถอยอีกแล้วจะปาราลบความเพียรต่อเนื่องชนเราอื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านอุทธจารับอารมณ์ไม่มั่นคิดฟุ้งไปเรื่อยสารพัดในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีจิตตั้งมัน่นเราจะไม่ฟุ้งซ่าน เราจะกําหนดแล้วก็มีความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดฝึกใจตนเองให้มีความสงบเยือกเย็ยนไม่ฟุ้งซ่านชนเหล่าอื่นมีความลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉาไม่มั่นใจในมัชิมาปฏิปทาไม่มั่นใจในอาริยมรตมีองแปดว่าจะสามารถดําเนินนำพากระแสชีวิต ไปถึงจุดหมายปลายทางคือการพ้นจากวัฏจทุกข์เขาลังหลีไม่กล้าทําตนเองให้ขึ้นสู่สัาเภาทองก็หมายความว่าอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนสัาเภาทองลําใหญ่ที่จะฝ่าปัปญหาอุปสรรคลอยข้ามทะเลหลวงที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายปลาล้ายเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าสําเภาทองลําเนี้ยเรือลําเนี้ย อริยมรรคมีองค์แปดที่พระเจ้าชี้ให้เราขึ้นนําพากระแสชีวิตเราขึ้นไปสู่เนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าจะนําพาชีวิตเขาพ้นทุกข์จริงเขาก็วิจิกิจฉาในมรรคแปดว่าจะนําพาชีวิตของดาประชาสัตว์ไปถึงความพ้นทุกข์ได้จริงหรือเนี่ยแต่ข้าพเจ้าจะไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปข้าพเจ้าจะนําตนเองก้าวขึ้นสู่นาวาลําเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วกันดำเนินชีวิตไปสู่อนุปาทานผลิภานการดับกิเลสและกลองทุกข์ให้ได้นชนเราอื่นเป็นผู้มีความโกรธหงุดหงิดง่ายเจออะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจหงุดหงิ ด, งดโกรธกระทบกระทั่งมีจิตใจกระทบกระทั่งแง่งอนตลอดเวลาในข้อนี้เราจักไม่มีความโกรธ เราจะมีใจที่เป็นไปกับเมตตาลักปรารถนาดีเอือ้ออาทรชนเราอื่นจะเป็นผู้มีการผูกโกรธอุปนาหะถ้าโกรธอะไรก็โกรธไว้นานไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละไม่ยอมสละไม่ยอมสละทิ้งความโกรธง่ายในข้อนี้เราจะเป็นผู้ที่ปล่อยความโกรธไปอย่างรวดเร็วเราจะรีบทิ้งอย่างรวดเร็วจะไม่แบกจะไม่ถือไว้ ชนเหล่าอื่นจกเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านมักขะชอบลบหลู่ไม่เห็นคุณเหมือนเรามาอยู่ที่ศาลาก็ไม่เห็นคุณของศาลาไม่เห็นคุณของบุคคลที่ทำที่ให้เราอยู่เงี้ยนะไม่เห็นกุศลตั้งหลายเป็นต้นชอบลบหลู่ไปที่ไหนก็ชอบทําลายใครทำความดีไว้หน่อยก็ไม่เห็นคุณมักอยากลบหลู่คุณของคนอื่นคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นระลึกไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยรู้ว่าใครเคยทำอุปการลากุลให้เราบ้างมีพ่อแม่ปู่ตายายายคนที่เกี่ยวข้องคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเราเยอะมากแม้ท่าพระเอ่ยใครให้อาหารแม้หนึ่งทัพพีเรายัางลึกต้องระลึกถึงคุณเหมือนภาษารีบุตรระลึกถึงคุณของราทาพานข้าวทัพพีเดียวเคยให้มาตั้ง 30-40 ปีท่านยังจำได้อยู่เลยว่าเราเคยมีชีวิตอยู่เพียงข้าวหนึ่งทัพพีเพราะท่านผูนี้เป็นผู้ให้ลักษณะอย่างนี้ คนเราอื่นจะลบหลู่คุณแต่เราจะไม่ลบหลู่เราจะละลึกถึงคุณเราจะเพิ่มพูนกุศลในใจให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องชนเราอื่นเนี่ยเป็นผู้ตีเสมอประศาสันคือมักจะไปกิดว่าเราเนี่ยคนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ต่างกันนะก็เท่าเท่ากันเราเราจะไม่เทียบตนเราบิดไม่ทมาํามาได้เกิดขึ้นชนเราอื่นเป็นคนตนหนีโอ้คน คนในโลกนี้มีมัจฉริยะมากตนีที่อยู่ตนีทินตนีที่อยู่หวงแหนตหนีลาบสกาละตะนีพวกพ้องตนีสีผิวตนีเกียรติยศชื่อเสียงตนีธรรมะเป็นต้นในข้อนี้เราจะไม่มีความตนีชนเราอื่นเป็นผู้โอ้อวดสาเทยะอวดคุณที่ไม่มีนะในข้อนี้เราจะไม่โอ้อวดชนเราอื่น จากมีมายาในข้อนี ização, als, aces, Joshua, no. like ้เราจักไม่มีมายามายาแปลว่าเจ้าเล่ชนเราอื่นดื้อดึงเขาเรียกธรรมภะธรรมภะในข้อนี้เราจะไม่ดื้อดึงชนเราอื่นดูมินดูมินท่านนี้เขาเรียกอติมานะชนเราอื่นจากเป็นผู้ว่ายากสาลัมภะในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ว่ายากชนเราอื่นจากมีมิจชั่ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สมาคมกับบุคคลที่มีบาปอากุศลละธรรมเกิดขึ้นมากหรือจะไม่สมาคมกับวิ ช, ชาทิฏฐิเป็นต้นชนเราอื่นไม่มีศรัทธาชนเราอื่นเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราจะไม่ประมาทเราจะมีสติกำกับอยู่กับตัวชนเราอื่นเขาไม่มีศรัทธาในรารตนาไตรแต่เราจะเป็นผู้มีศรัทธาในระรตนาไตร ชนเราอื่นเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาปเราจะเป็นผู้ละอายต่อบาปชนเราอื่นไม่เกรงกลัวต่อบาปเราจะเป็นผู้เกรงกลัวต่อบาปชนเราอื่นเป็นผู้ไม่สดับไม่ชอบฟังแต่เราจะเป็นผู้เป็นปหูสูตรจะทรงสมข้องสมข้อมูลชนเราอื่นเกียจค้านเราจะปลารอความเพียรชนเราอื่นหลงลืมสติ เราจะฝึกสติให้มั่นคงชนเราอื่นมีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาชนเราอื่นเป็นผู้ยึดถือแต่ความเห็นทิฏฐิของตนเมื่อมีความเห็นสิ่งใดแล้วก็ยึดถือความเห็นไม่สลัดทิ้งสลัดได้โดยยากแต่เราถ้ารู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจะรีบสลัดทิ้งอย่างรวดเร็วนี่ให้สมาทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆรรื อ, รอตั้งใจเนะ เร ล, ลึกถึงสันเลกาธรรม อ, อุดทุ่ิส่วนกวุศล